พระคาถากันโรคภัยไข้เจ็บพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้เทพพระบุตรอุณหิสวิชัยได้ท่องพระคาถานี้จึงได้มีอายุอยู่ในสวรรค์อีกต่อไปผู้ใดมันสวดพระคาถานี้จะระงับโรคภัยไข้เจ็บทั้งอายุก็จะยืนยาว และถ้าหาผู้ใดสวดเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำจะเกิดความเป็นสิริมงคลตลอดไปสากาตวาโพธัตนางโกสัททางกาาตตววังวะรังหิตังเทวัมานสานาังพุทธเจเนะสเทนานาสาตบาทวา โอปัสสเมโตเมสากาตวาธรรมารตนาโสทังโอตมงวรังปริราโหปัสสมาณังธรรมะเตเนัสทนานาสันตปาทวาสาเพมยาวกปัสสเมโต สากาตวันสังคารตนาโวสตังโตมังวาราาหในยางปาหในยางสังฆเตชะนาสตินานาสันตปาทวัสะเพรคาวะปสะเมนโตเม